รัดแล้วก็ตรงความหมายนะก็รู้หนักรู้เบาเนี่ยต้องใช้การเปรียบเทียบคือยังมีการคิดตีความเปรียบเทียบว่าหนักว่าเบาอยู่เอหนักเบานี่รูโโ้โดยที่ไม่ตัดสินได้ไหมเฝ้าดูโดยมีโดยที่ไม่ตัดสินได้ไหมลุยซื่อเนี่ยหนักก็รู้ว่าหนักเบาก็รู้ว่าเบาการรู้หนักรู้เบาถือเป็นการตัดสินไหมไม่น่านะใช่ไหมรู้เฉยๆอะ่ะใช่ไหมแต่ถ้าเราไปยินดี เบาแล้วก็ไม่เคยชอบหนักนี่นะนั่นี่คือตัดสินแล้วใช่ไหมแต่ถ้ารู้หนักรู้เบาโดยที่ไม่ตัดสินก็คือก็เป็นตัวรู้เฉยๆนะแต่รู้เฉยๆไม่ต้องแปลความไม่ต้องตีความเช่นรู้ว่าการเคลื่อนไปไม่มีความหมายใดๆรู้ลักษณะนี้เขาเรียกว่ารู้เฉยๆที่ถูกต้องไหมถ้ารู้เฉยๆอย่างถูกต้องเขาเรียกว่าเฉยมองมองดูว่าอะไรจะเกิดแต่ถ้ารู้เฉยๆแบบไม่ ไม่ถูกต้องเขาเรียกว่าเฉยเมยคืออะไรเกิดขึ้นฉันก็ไม่สนใช่ไหมลักษณะนี้เป็นอุเปขาเวทนาคือเฉยเมยแต่ถ้าหากว่าเป็นเฉยมองแล้วว่าอุเปขาสามพุทธชงอุเปขามีสองอย่างใช่ไหมอุเปขาที่เป็นฝ่ายที่เป็นสังขารคือเฉยเมยเป็นเวทนาเป็นในขันห้าเป็นเฉยเมย อ, อันนี้ไม่ไม่เป็นสัมเป็นมิจฉาสติ แต่ถ้ารู้เฉยๆคือเฉยมองดูอยู่แต่เราเรียกว่าสแตนบายคือพร้อมที่จะชาร์จทันทีอะไรเกิดขึ้นนี่นะแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยจ้องดูอยู่เหมือนยาม อ, ะอ่ะคือตัวตัวเฉยเฉยมองเนี่ยเหมือนยามอ่ะสะพายปืนเดินเลนไปเรื่อยๆนะแต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นยิ่ๆก็ค่อยชาร์จทันทีได้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นอุปเปยขาสัมพชงพร้อมปฏิบัติงานอันนี้เขาเรียกเฉยมองเป็นอุปเลยขายสำโพชง แต่เฉยเมยก็เหมือนขอทันหน้าบ้านเราคน้า่อะไรจะเข้าจะออกฉันไม่สนใจะนะเฉยเฉยเฉยถามว่าใครมาก็ไม่รู้ะะ mm hmm. ก็เลยเฉยเมยทีนี้ในลักษณะบางคนเนี่ยเรงสีค่อนข้างสวยแต่อ่านยากนะอ่านใจยากหน่อ <c> ย <oughs> การรู้การเคลื่อนไหวคือการเดินไปเรื่อยเรืจนเห็นหน้าการหนัก ที่นะนะส่วนต่างๆของร่างกายเส้นเท้าหน้าแข้งนจนการกระทบโดยที่ไม่ได้มีเจตนามันเกิดขึ้นเองแล้วก็มีสติรู้ทั่วกายาส่วนอาการหนักกันเบาตามรู้อาการที่เกิดขึ้นตามร่างกายเดิรู้ว่าเบารู้ว่าเบาการกระทบพื้น รู้แล้วจบรู้แล้วจบแบบนี้หรือว่ารู้เฉยๆแต่ถ้ารู้ไม่เฉยคือรู้แล้วมันไม่จบคือรู้แล้วมันคิดต่อเนเวลาเดินมีสติดูการเคลื่อนไหวร่างกาย ด, ดูตลอดทุกก้าวไปโดยที่เราไม่ไปแยกแยะให้รู้อาการเหล่านั้นเฉยๆเพียงแค่รู้อันนี้ก็ดีนะสักแต่ว่ารู้เพียงแค่รู้โดยที่ไม่ใส่ใจว่ารู้มันถูกมันผิด แต่ถ้าหากว่าการมนหนักก็แก้ไปแล้ ว, ว่ารู้เฉยๆคือบางาพ่อจะไม่บอกชื่อนะอ่านแต่นี่บอกเดี๋ยวเขาจะตัดสินเดี๋ยวจะถูกสัมภาษณ์โอ้ทำไมเธอตอบได้ดีจังนะอะไรนะจะได้ได้เกิดความพอใจไม่พอใจขึ้นมาเธอทนี่ตอบไม่ได้เรื่องเลยนะโดนโดนโดนนินทาอีกมไม่ได้ม่ไม่อ่านชื่อนะรู้เฉยๆคือรู้ทั้งที่มีการเคลื่อนไหวและไม่เคลื่อนไหวได้รู้ลักษณะรวมๆเช่นการเคลื่อนไหวเมื่อ ร่างกายการวิ่งการก้าวกระโดดการเร็วกันช้าอันนี้ก็รู้เฉยๆโดยที่ไม่ไม่เข้าไปร่วมนะในรู้หนักรู้เบาเป็นการรู้เฉพาะจิตในขยะเช่นขณะยกมือจะรู้สึกหนักระวังมือรู้สึกเบาหรือถือสิ่งของอะไรรู้สึกหนักเบาอันนี้ก็เป็นการเข้าไปในความรู้สึกอนนั้นอันนี้รู้ไม่เฉยคือเข้าไปในความรู้สึกแต่โดยสรุปแล้วเดี๋ยวหลอสรุปให้ฟังอีกทีนะให้ดูประเด็นนี้ก่อน อีกต่อมาบอกว่าความรู้ที่เห็นได้ชัดทั้งกายและใจคือความรู้สึกของอาการหนักยกตัวอย่างเช่นร่างกายเกิดความปวดเมื่อยใจที่ไม่รู้เท่าทานันอาจเกิดความหงุดหงิดอึด อ, อัดสังเกตง่ายๆจากลมหายใจถ้าเกิดอาการหนักลมหายใจมันก็จะหนักผิดปกติถ้ารู้สึกเบารูมหายใจมันก็แผ่วเบ า, เบาผ่อนคลายนะเพราะนั้นรู้การหนักอาจจะอา ก, การเบาคือรู้สภาวะ พ้องกับไปในตัวหมายควาว่าหนักเบานี่อาจจะทําให้รู้สภาวะได้ง่ายแต่เห็นสภาวะหยาบกลางละเอียดอันนี้ก็ทําให้สังเกตได้ละเอียดขึ้นเพราะนั้นหนักเบานี่อาจจะนําไปสู่การดูถึงตัวสัมปชัญญะด้วยและลึกไปกว่า น, นั้นก็เลยรู้อาการของจิตว่าจิตพอใจไม่พอใจจิตๆๆเฉยเฉจิตรู้จิตไม่รู้ภาวะอาการรู้เฉยเฉเป็นการรู้ที่ลึกหลายชั้นเออเข้าท่าใน ะ, ะบับนี้นะ <laughs> น่าจะเอาไปตอบออสภาวะสภาวะเนี่ยรู้ยากมากต้องอาศัยความเพียรสร้างความรู้สึกต่อหนึ่งอย่างเนืองเนือ ง, ง, งโอ้เดี๋ยวท่านต้องถูกสัมภาษณ์เนี่ยรอบนอกรอบในคนนี้เนี่ยว่าปฏิบัติมากี่ครั้งแล้วรู้เฉยๆกับรู้สึกหนักเบาต่างกันคือรู้เฉยเป็นการตื่นรู้โดยสติรู้หนักเบาเนี่ยมันมีการเข้าไปรับรู้นะ แต่ว่าก็มีคำถามพ่วงมาด้วยนะ น, นี่นะเมื่อเช้าที่หลวงพ่อเทศว่าการบริหารสติสมรยะมีหอย่างแต่หลวงพ่อพูดได้สองอย่างหายไปเลยเพราะฉะนั้นเป็นนี่หนูอีก4อย่างเ่าโอ้โหตามทวงหนี่เลยนะไม่ใช่ธรรมาดาเ น, นี่ตามทวงนี้เป็นหนีสี่อย่างหลวงพอ่อเฉลยให้จบได้ไหมโอ้เอเม๋อมีต้องพบกันหลังใหม่นะมั่งเนี่ย หลวพ่อใช่เนาะหลวงพอพูดถึงสองอย่างเลเช้าเนาะพูดถึงเรื่องของการหายใจเนี่ยอย่าทำไงที่หายใจแล้วมันได้รู้เมื่อกี้เราสวดเรื่องลมหายใจใช่ไหมสิบหกขณะเออเป็นเรื่องที่น่าจะขยายความหน่อยเนาะเป็นประโยชน์พ่อเราก็สวดไปแล้วด้วยว่าในเรื่องของลมหายใจท่านแบ่งเป็น16หเรืออานาปะนะสิอันนี้ชุดที่หนึ่งนะชุดที่สองเรียกว่าอิริยาปะถะ ปัปะอันนี้เป็นเรื่องของปริยัตแต่ก็ควรจะรับรู้ไว้เพราะมันเป็นหลักฐานว่าเราไม่ได้มั่วนะชุดที่สองคือเรื่องอิริบท4นะยืนเดินนั่งนอนนะชุดที่สเรียกว่าอิริบทย่อยหรือปัปสัมปชัญญะปัปะก็มีในชุดที่อิริบุตรเนี่ยแบ่งเป็น4ใช่ไหมยืนเดินนั่งนอนคัชชนโดวคัชชามีติปัชฌานตาิเมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่ใช่ไหม นิสิโนวานิสิโนมหีติปะชานาติเมื่อนั่งก็ให้รู้ว่านั่งอยู่ทิโตวาทิโตมหีติปะชานาติเมื่อยืนก็ให้รู้ว่ายืนอยู่นิสิโนวานิสิโนมหีติปะชานาติเมื่อนั่งก็ให้รู้ชัดๆนะอันนี้อันนี้ในส่วนนี้บทมิเค่าสีนี้แต่พอเป็นในส่วนสัมปชัญญะมีถึงเจดชุดอะส่วนการยกมือของเรานี่มีอยู่ในชุดที่3มยกมือสร้างจังหวะนี่นะ พราะฉะนั้นใครบอกว่าวิธียก ม, มือสร้างจังหวะไม่มีในพระตท้พิดกเถียงให้ยันยืนยันแล้ยืนยันยย น, ย น, นั่งยันนอนยันเลยนะแล้วขอจะยกหลักฐานว่าอันแรกใน7ชุดเนี่ยอันแรกก็ว่าอพิกันเตปฏิกันเตสัมปชาณนะกาลีโมติก็คือการชุดที่หนึ่งคือการเดินจงกลมก้าวหน้าและถอยหลังถ้าก้าวหน้าเราหันตัวกลับอันนี้ถือว่าเป็นยังก้าวหน้าอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าปฏิกันเตมันไม่ต้องกลับดิมันจะต้องถอยคือถอย ปฏิกันเตะแต่ถ้าหันกลับนี่เป็นอภิกันเตเหมือนเดิมคือกลาวข้างหน้าเหมือนเดิมเพรา ะ, ะนั้นเราก้าวไปข้างหน้าตลอดไม่มีการถอยหลังแสดงว่าฉันไม่ยอมถอยนะฉันสู้อย่างเดียวใช่ไหมปรากฏว่ามันเตลิดเลยทีนี้ไม่มีตัวไม่มีเกียร์ถอยรถไม่มีเกียร์ถอ ย, ถ ย, ถ อ, ยอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมไปข้างหน้าถอยไม่ได้เหมือนกันการเดินโยมกมมก็ต้องมีเกียร์ถอยด้วยคือถอยจริงๆปฏิกันเตชุดที่หนึ่งนะชุดที่สองท่านใช้คําว่า อาโลกิเตวิโลกิเตสัมปชา ن ا กาลีหติคือเหลียวซ้ายไหลขวาเคยตั้งเจตนาเหลียวบ้างไหมถ้าเหลียวอันนี้เหลียวเอาเรื่องอะนะเข้าใจไถ้าถ้าเหลียวธรรมดาเนี่ยถ้าเหลียวหมายความว่าไงเนะี่ยมองตาเหล่เลยนี่อันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันต้องเจตนาให้ถูกที่หน่อยนะถ้าไม่ถูกที่เดี๋ยวเกิดเรื่องนะแล้วก็อันที่สมสัมมินชิเตเข้ามาปาสาลิเตออกไปนี่สร้างจังหวะ ชุดที่สามก็เหมือนเราหยิบนี้รู้ปาสาลีเตแล้วเข้ามาดูสามีชิเตคเาา ร, รูเข้ามาปาสาลิเตเอาไปวางสามีชิเตก็หดเข้ามาหลวงพ่อเทียนก็เลยว่าเอ๊ะมันยืดยืดหดดแบบนี้ที่ไม่มีการาารักษาเนี่ก็เลยเอามาสร้างเป็นชุดจังหวะเลยดีกว่ า, ามาแทนลมหายใจนะเอามาเลยบอกนักปฏิบัติว่าทุกครั้งที่ลงมือปฏิบัติเนี่ยให้คิดว่าการยกมือนี้คือลมหายใจเสีย เพราะอะไรเพราะลมหายใจมันละเอียดเกินกว่าที่จะไปตามรู้ได้ชัดเจนเดี๋ยวคุณดูไปดูมามันก็หลงหรือมันก็หลับหรือไม่งั้นมันก็แผ่วมันก็หายไปเลยก็มีนะมันละเอียดเกินไปเพราะนั้นทางปลอดภัยที่สุดอะตราบใดที่คุณยกมืออยู่เนี่ยจิตมันก็ยังสัมผัสได้ชัดเจนทุกขณะดังนั้นในชุดของหลวงพ่อเทียนฉันใช้ว่าเป็นสัมปชัญญะปภะในชุดที่สชุดที่สี่นี่เป็นการแต่งเนื้อแต่งตัว ถ้าเป็นพระฉันใช้ก็ว่าสังขาติปัตตะจีวรธารณเสัมปชัญญการิโมติถ้าเป็นชาวบ้านก็คือการใส่เสื้อผ้าใช่ไหมแต่งเนื้อแต่งตัววีผมวีเผาจัดนู่นจั ด, จ ด, จดนี่ก็เคยรู้สึกตัวบ้างไหมคุณสมเกียจเคยไหมรู้นิดหน่อย <laughs> จัดไปทั้งครึ่งชั่วโมงแล้วรู้แค่หนึ่งนาทีนี่ <laughs> ไม่ไม่สมดุลแลยนะถ้าถ้ามันจงรู้จริงๆมีคนมีอาจารย์ไม่รู้หมอเอพินจำได้จย์จำอาจารย์มาหจัดได้ไหม อาจารย์บัญญัติที่อยู่ว่ัชนันทีน่สอนอยู่ศิลปกรนะตอนนั้นแกบวชเนาะบวชแล้วปรากฏเดืพันศาหนึ่งแกไปบรรลุธรรมในห้องน้ำํำในขณะอาบน้ำเออแกบอกว่าวันนั้นผมอาบน้ำสองชั่วโมงออจับทุกขณะเลยนะขณะขณะอันนี้แกมาเล่าโดนแช์่ปรากฏว่าแกโล่งปลงเบาสบายหมดเลยพลุ่งขึ้นมาในช่วงบรรลุธรรมไม่ใช่บรรลุเป็นพระอรหันต์นะได้ดวงใจนะเป็นพระสุวรรบันฑ์ท น, นี้ยังยังรู้เปล่าไม่รู้นะ คแหละเกิดโพรงขึ้นมาแล้วตั้งจากนั้นมาแกก็สนใจเราก็นิ ม, มนต์ธรรมาไปอบรมนักศึกษาอยู่ศิลปกรที่ไอขอรคบถมบ่อยๆนะหลังจากแกเข้าใจแล้วก็อันนี้ลู้สิษิ์ลูหาหลวงพ่อรุ่นแรกรุ่นต้นๆ น, นั่นแหละอันนี้ก็ดีนะการสั่งสมความรู้สึกสามินชีเตปาสาริเตแล้วก็การแต่งเนื้นตัวชุดที่ส เรียกว่าสุดที่ห้าเรียว่าอุจารปั ส, สาวกัมเมสัมปชานากาลีมุติเมื่อเข้าห้องน้ําห้องส้วมเราจะทอุจารปั ส, สาวการแต่งในแต่งตัวอาบน้ําอะไรต่างๆเนี่ยอันเดียวชุดนี้นะฮะชุดที่6ท่านใช้คําว่าปีเตขายิเตสายิเตสัมปชานาการิมุติการดื่มน้ําเคยตั้งใจดื่มบ้างไหมการดื่มการเคี้ยวอาหารตอนกับวันเคยตั้งใจเคี้ยวไหม ลักษณะอย่างนี้ก็ดีอย่างหนึงคือเป็นนั่งทานในห้องใครห้องมันใช่ไหมใช่ไหมคุณคุณตาไป่ไนั่งทานรวมกันเนา ะ, น, ะนั่งทมกันที่นี่ใช่ไหม เ, เอามาก็น้องมาถือบิโตไปนั่งทานห้องใครห้องมันเป็นแบบนั้นเนาะก็ทดสอบดูหลายแบบนะถ้าเราถือภาชนะมานั่งทานรวมกันเนี่ยมันที่มาสังเกตเนี่ยมันก็ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนหนึ่งนะคือเป็นการกดดันสําหรับคนที่กินช้าจะ <c oughs> ให้คนที่กินเร็วก็กดดันให้นั่งรอเพื่อนนะนะไอ้คนที่กินช้าว่าโเหลือกูคนเดียวมันก็เลยสมาธิในการกินไม่ค่อยมีใช่ไหมว่าจะตั้งทา่าเคี้ยวให้เต็มที่เส้หนหนึ่ง <c oughs> เอาคนนั้นสินาทีมันเสร็จแล้วฉันว่นจาจะการชึ่งชั่วโมงให้เสร็จอย่างเงี้ยมันก็เลยการชักกเยอะกันไปในตัวในในน่ในยะน ะ, นะนะถ้าสังเกตไม่ค่อยเออเรามาใช้เวอร์ชั่นนี้ก็ดีเหมือนกันนะ คือหมายความว่าถือภาชนะไปทานของใครของมันเลยคุณจะนั่งเคี้ยวชักชมงงก็เป็นเรื่องของคุณนะคุณจะนอนกินคุณจะนั่งกินก็เป็นเรื่องของคุณละทีเนี้แล้วแต่ใครจะรับผิดชอบเอาเสียงมากไหมเสียงมากว่าจะใครมีแอ บ, บอาหารมาจากบ้านมารองมาสำรองเอาไว้อย่างนี้นะ <c oughs> ใช่ไหมอาหารพิเศษเพราะเป็นเจไม่ไหวฉันต้องแอ บ, บให้ใครไปซื้ออะไรมาไว้ก็เสียงเหมือนกันนะั่นนี่นะอาจจะเสียงมากกว่านั่งทานรวมกันเพราะต่างคนก็ตามมีกิเลสอยู่อะใช่ไหมอันนี้ก็ระวังเหมือนกัน เพราะนั้นคุณตาต้องไปพิจารณาให้ดีว่าจะดีไหมแบบนั้นนะระบบเนี่ยอ่าคงจะประมาณฉบับนี้นะอ่อบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยรู้สึกหนักเบาเนี่ยชัดเจนดีเอ้ยโครบไปอย่างวิกีตคล้ายยังไม่โครบนะเดยวอีกอันหนึ่งเช่อว่าอันที่หกอันที่เจ็ด อันที่เจ็ดคะเตโอคุณนี่สงสัยคุณเป็นเจ้าของปัญหาแน่นอนเลยเนี่ยเลยทำท่าทวงอยู่เลยนะคะเตติเตนิสินเนชากริเตตุนฮีสุเตพาสิเตตุนฮีพาเวสัมปะชานาการิมติเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกดดพร้อมในการไปในการมาในการหยุดในการพูดในการ นิ่งในการหลับไหวไหมให้รู้สึกตัวแม้ในการหลับอ่ะเออเนี่ยนสุดเตชาคลิตเตในการตื่นการพูดแม้แต่นิ่งก็ให้รู้สึกตัว น, น, ต น, ต น, ต น, นั่งนิ่งให้รู้สึกตัวทั่วรพร้อม อ, อันนี้เป็นละเอียดนะอละเอียดเพราะฉะนั้นระบบของความรู้สึกตัวแบบรีบทย่อยนี่มีเจ็ดชุดทบทวนีทีหนึ่งชุดที่หนึ่งเดินยกกลม ก้าวหน้าเธอหลังชุดที่สองเหลียวซ้ายไหล่ขวาชุดที่สามสร้างยมวะเอาชัดๆเลยนะไม่ต้องแปลความหมายเลยนะ <c oughs> ชุดที่สแต่งหนัวจัดผ้าจัดเสือ้อ ช, ชุ ด, ชดชที่ห้าจะรับปะทับน้ําชุดที่หกอาดื่มเคี้ยวกินลิ้มชุดที่เจ็ก<พ>อากันไปกันมากันพูดกันหลับกันตื่นกันพูดกันนิ่ง ไปให้รู้ทั้งหมดอันนี้ละเอียดมากชุดนี้นะเพราะฉะนั้นแม้ว่ามันจะทำไม่ได้แต่ก็ฝึกไปเรื่อยๆฝึกจนกระทั่งว่ามันรู้สึกสนุกกับการทำแบบนั้นถึงแม้ว่ามันจะช้าหน่อยตอนแรกๆแต่ต่อไปเนี่ยมันจะไวขึ้นรู้สึกชัดเจนขึ้นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมกับการเคลื่อนไหวเป็นอันเดียวกัน ตรงนั้นเรียกว่าสติสมิญญเข้มแข็งแล้วก็สมบูรณ์ขึ้นความคิดก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆไม่ต้องไปไล่มันไม่ต้องไปตัดมันมันจะน้อยลงไปโดยอัตโนมัติเหมือนคุณสมัยนี้ไอ้สวิตไฟไม่ใช่กดปอกแป๊กปอกแปกไม่ใช่เงินมันมีค่อยหมุนขึ้นเนาะหมุนขึ้นทีละแหรงเทียนเน่ยนะจากหนึ่งแรงเทียนร้อยแรงเทียนหมุนขึ้นเรื่อยๆพอหมุนลงก็ค่อยๆเฟดลงจนมืดเลยนะ เขจะเปิดก็หมุนขึ้นค่อยจาก 1, นึ่งแรงเทนถึงร้อแรงเทนลักษณะของสติก็แบบนั้นถ้าเราค่อยหมุนลงเฟดลงความคิดก็ยืดพื้นที่เข้ามาเรื่อยเความลืมตัวความลหลงไหลความเพลินนะยึดพื้นที่เข้ามาแต่พอเราหมุนกําลังของสติสัมยขึ้นสว่างขึ้นความคิดอารมณ์อะไต่างต่างก็ห่างออกไปมันเหมือนเงาหมืดอ่ะนะเพราะฉะนั้นความรู้สึกโดยโดยธรรมชาติสัญชาตจารยต่างต่างมันเหมือนเงามือดอ ถ้าหากคนคนไหนยังมีอยู่มากก็หมายความว่ากําลังของสติสัมยะอย่างแสงสว่างยังไม่พ อ, อหน้าที่ก็คือคุณจะต้องเพิ่มแรงเทียนเพิ่มแรงเทียนก็คือกําหนดรู้ให้ถี่ขึ้นถ้าถี่มากขึ้นเท่าใดแรงเทียนสูงมากขึ้นเท่านั้นใช่ไหมบางวันนะบางวันมนะันเป็นร้อยแรงเทียนใช่ไหมบางวันเหลือแค่5แรงเทียนนี้ไม่ไหวนะมันไม่เสถียนไม่คงที่ต้องพยายามาให้มันเสถียนเอาไว้มีความถี่ฟรีควอนซีของมันเนี่ย ถ้ายิ่งความถี่สูงนนว่าอย่างมพนหมุนพครั้งต่อวิอย่างเงี้ยโอ้โหไฟสว่างจ้าเลยนะใช่พันแรงเทียนร้อยแลงเทียนก็หมายความว่ามันหมุนความถี่ร0อยครั้งต่อวิอย่างเงี้ยก็เป็นร้อยแรงเทียนความสว่างก็ตามนั้นฉันบอกว่าความรู้สึกหนักหรือเบาเป็นบางส่วนของร่างกายพอทำไปเรื่อยเรื่อยเริ่มเคลื่อนไหวตามปกติความรู้สึก เฉยๆชัดเจนกว่าเป็นความรู้สึกตัวทั้งตัวทั้งกาย The ร์ฮอร์นียบีพนะโอ้โหมีภาษาอังกฤษได้นะไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยนักปฏิวัติไปโฮบอดี้ว่นนะว่าร่างกายเคลื่อนไหวและทำให้เห็นความคิดชัดเจนความรู้สึกทั้งตัวนี้ทำให้ใช้กับชีวิตประจำวันทุกเวลาทุกกิจกรรมโอ้อันที่ทานิดเดียวนะทีบายเยอะเลยนี่เ <c oughs> เริ่มเป็นพี่เลี้ยงได้แล้วนี่นะ นะเริ่มรู้บ่อยขึ้นจะพยายามทำให้ชัดมากขึ้นบ่อยขึ้นนะตามที่พระอาจารย์แนะนำโอ้อันนี้เอาใจอาจารย์ด้วยเหมือนเราเป็นคนมองดูตัวอีกครั้งหนึ่งเป็นฐานะเป็น observer นะก็อันนี้เป็น comment, uh, comment c o m m e นะ c เพิ่มเติมสรุปอ่าเอาแค่นี้พออ่านหมดนีคงจะเวลาไม่พอสรุปว่าทั้งในกลุ่มใหม่ที่ว่าความรู้สึก ตัวเฉยๆกับความรู้สึกตัวหนักเบาเนี่ยต่างกันอย่างไรตอบสั้นๆว่าความรู้สึกตัวเฉยๆเนี่ยมันเป็นกฎของรู้สึกเฉยๆแบบรู้เนื้อรู้ตัวแต่ไม่ตัดสินไห้เฝ้าดูการรู้เฉยๆลักษณะนี้เป็นไตรสิขานะแต่การเข้าไปรู้แล้วตัดสินว่าหนักว่าเราว่าชอบว่าชอบเป็นไตรอะไรเป็นไตรลักษต้องการคำตอแค่นี้แหละ แต่อันนี้ใไปกันเยอะเลยซึ่งมันก็ตรงกับประเด็นเรื่องคอร์ดของเรา ว, าว่าใครจะเข้าใครจะดีประเด็นแตกว่างมันมีแค่ดีประเด็นแตกเลยอันนี้อันนี้หลวงพ่ออ่านหมดไม่ได้นืเวลาไม่พอเดี๋ยวกลุ่มเก่าเขาจะไม่ได้ฟังปัญหาเขาเดี๋ยวติดนี้นพุ่งต่ออีกเพราะพรุ่นี้ก็ต้องมีข้อสอบปัญหาใหม่ออหหมฮะทวนอะไรเลย อ่อว่าประเด็นว่าการรู้เฉยๆกับรู้หนักเบาต่างกันอย่างไรใช่มหลวงพ่อต้องการรู้ว่าตัวรู้เฉยๆเฝ้าดูเป็นผู้รู้เพียงแค่รู้เนี่ยมันเป็นลักษณะรู้แบบมีสติสัมยาะมันเป็นไตรลักษณ์เออเป็นไตรสิขานะรวมล่ะศีลสติปัญญาอยู่ที่ตัวรู้ตัวเดียวถ้าตัวรู้ชัดเจนตัวรู้ที่ละเอียดตัวรู้ที่ทุนพร้อมเนี่ยมันรวมข้อคาว่า สินสมุทิปัญญาอยู่ในตัวนั้นทำงานพร้อมกันเลยแต่ถ้าเมื่อใดตัวรู้ไม่ชัดเจนไม่เข้มแข็งแล้วก็รู้แบบว่าตอบสนองความอยากรู้แบบตัดสินรู้แบบมีเรามีเขารู้แบบมีฉันมีเธอเนี่ยลักษณะตัวรู้อย่างนี้เป็นสติโดยสัญชาตญาณมันจะเป็นโกฎของไตรลักษณ์คืออ น, นิจังทุขังหน้าตาใช่ไหม วันนี้อาจจะไม่ชัดเจนนะปฏิบัติไปเรื่อยๆมันจะชัดว่าถ้ารู้เกี่ยวข้องด้วยความเปลี่ยนแปลงความเป็นไปของรูปขึ้นหนักเบาเนี่ยมันเป็นการรู้แบบกฎของไตรลักษณ์คือเป็นในจังทุกขังหน้าตาเพราะมีหนักมีเบาใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวรู้ไปรู้อย่างนั้นยังเปลี่ยนแปลงยังแปรปรวนได้อยู่เพราะวันเข้าไปเมื่อมีการยึดอาการว่ารูป เป็นของเราหนักเป็นของเราเบาเป็นของเราแต่ถ้ารู้หนักรู้เบาเขาเรียกว่ารู้เฉยเฉยรู้หนักเบาเฉยเฉยไม่ใช่ว่าเราหนักเราเบาอันนี้เป็นไตรหลกักๆณ์แต่รู้หนักรู้เบาเฉยเฉยโดยที่ไม่สําคัญมันหมายว่าอาการหนักอาการเบานี้เป็นเราอะไรเกิดขึ้นทั่วเนื้อทั่วตัวเรารู้เฉยเฉยถ้าอาการนั้นมันหนักเกินก็เข้าไปจัดการให้มันอยู่ในลิมิตที่ร่างกายจะทนได้แต่ถ้าหนักเกินที่ โอเวอร์โอเฮวีนะก็ต้องแก้ไขต้องปรับเอาความรู้สึกหนักนั่นออกเพื่อไม่ให้อาการเสษเหลือของของการหนักเข้าไปสู่จิตถ้าหากว่าเกินร่างกายที่จะทนเข้าไปสู่จิตปั๊บจิตก็จะแปลงเป็นความรู้สึกไม่พอใจไม่ชอบใจลักษณะนี้ก็เป็นการสร้างสมูทัยของทุกข์ละแต่อาการของความรู้สึกตัวที่มันหนัก ของร่างกายความหนักความเบาของร่างกายนี้ถ้าไม่รู้สึกพอใจหรือไม่พอใจกับอาการของกายนี้เรียกว่ารู้เฉยๆแต่ถ้าเมื่อไรอาการหนักอามากาลนี่ไปก่อให้เกิดความพอใจไม่พอใจรู้ไม่เฉยแล้วเพราะมันกลายไปเป็นความพอใจไม่พอใจจะเป็นอาการของสมุทัยของทุกข์คุณอานฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจวันนี้เพราะว่ามันยังพื้นฐานทุนนี้ยังไม่พอนะก็ค่อยทำไปเรื่อยๆ เราก็ค่อยฟังไปแล้วมันจะเข้าใจนะอ่สำหรับอีกกลุ่มหนึ่งยังไม่สำหรับผู้ใหม่อีกกลุ่มหนึ่งนี่เรียกว่าผมก็อาจจะรีคอมเมนต์สักนิดหนึ่งว่ า, าซึ่งก็เป็นการ คำตอบที่ไม่สมบูรณ์นะหลพ่อก็เลยว่าจะผ่านไปก่อนชุดเนี่ยคําตอบมันสมบูรณ์อีกชุดหนึ่งที่นี่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะหลพ่ออยากจะให้รายละเอียดเยอะขึ้นก็คื อ, อสําหรับกลุ่มเก่าเนี่ยนะหลงพ่อได้ตั้งโจทย์ว่าอย่างไงนะความรู้สึกเคลื่อนไหวกับความรู้สึกหนักเบาเนี่ยต่างกันอย่างไรใช่ไหมความรู้สึกเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวนี่มีอาการ เคลื่อนไหวเฉยๆเป็นอาการของอะไรนะเคลื่อนไหวมีกี่ระดับมี4ระดับใช่มหนึ่เคลื่อนไหวของกาย2เคลื่อนไหวของเวทนา3อาการเคลื่อนไหวของจิต4การเคลื่อนไหวของอารมณ์เรียกว่าการเคลื่อนไหวพูดถึงการเคลื่อนไหวไม่ได้ไม่ยัง ม, มิติของกายนะมิติเวทนามิติ แล้วก็เป็นทั้งบอด i ลีด s เมนชันฟีลิ่งด e เมนชันเมนท l ลด m เมนชันแล้วก็อิโมชันอลดิเมนชันทั้งสีระดับนะเพราะนั้นเป็นการเคลื่อนไหวทั้งกายเวทนาจิตธรรมที่พูดถึงการเคลื่อนไหวทัวนี้ไม่ได้ไหมายถึงกายส่วนเดียวนะดังนั้นรู้การเคลื่อนไหวทั้งสีระดับเนี่ยเป็นตัวของไตรสิขานะ แต่ถ้ารู้การเคลื่อนไหวหนักเบาเฉยๆเป็นอาการของกายมิติเดียวยังเป็นไตรลักษ์อยู่เพราะเป็นการเคลื่อนไหวของรูปนะแต่การเคลื่อนขยัของรูปเวทนากายเวทนาจิตธรรมมันครบมันก็คือความสมดุลใช่ไหมจิตของเราก็จะไม่เกาะเกี่ยวอยู่ในเคลื่อนไหวอันใดอันหนึ่งเห็นการเคลื่อนไหวทั้งสี่ระดับเป็นเพียงการเคลื่อนไหวความคิดก็เป็นการเคลื่อนไหวความคิดไม่ใช่เราเย็นแลอนอ่อนแข็งก็เป็นการเคลื่อนไหวเย็นแล้วอ่อนแข็งก็ไม่ใช่เรา อารมณ์ดีอารมณ์ร้ายก็เป็นเพียงการเคลื่อนไหวของอารมณ์มันไม่ใช่เราลักษณะเข้าไปรู้อย่างนี้เราก็ดูทั้งหมดเป็นอาการของการเคลื่อนไหวคือเป็นอนนี้จังทุกขังหน้าตาแล้วก็ไม่เข้าไปสําคัญว่าเป็นเรามันก็เป็นไตรสิขาในคําตอบเดียวกันเนแต่คําถามพูละอย่างเท่านั้นเองหลมประเด็นกันไฟไหลยังไงเพื่อจะให้รู้ว่าเข้าใจชัดไหมถ้าเข้าใจไม่ชัดก็จะหลงประเดนน็นใช่ไหม เพราะนั้นในชุดของผู้ใหม่เนี่ยผู้กลุ่มเก่าเนี่ยเ ข, า, ขาตอบได้หลากหลายอลังการมากนะจะเอาไว้จะตอบวันพรุ่งนี้ถ้าวันนี้คงวิเคราะห์ไม่มจบแล้วนะตอบได้เพราะในฐานะเป็นคนเก่าเนี่ยจะรู้เยอะนะตอบเยอะพื้น ป, กปึกเลยแหละผมพ่อจะให้เขาไปพิมพ์แล้วต่อไปเราจะทําเป็นหนังสือกลุ่มเล็กๆเลืเล่อหนึ่งนะอันไหนที่ไม่สมบูรณ์พวกเจะทําให้สมบูรณ์อ่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมีการวิจัยอันนี้ผลงานวิจัยที่แต่ละรุ่นนะ เราทำวิจัยเขาโจรออกมาเราก็จะได้วิญญาณิพนธ์ลเล่มหนึ่งนะฮะผ่านการศึกษาทางด้านเศรษฐิประธานในแง่ขอ ง, ของอารมณ์ปฏิบัตินะหลวงพ่อหยู่เรื่องนี้แค่นี้นะในแง่ของอารมณ์ปฏิบัติเนี่ยอยากจะให้สื่อความหมายของคําว่ารู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยให้ขึ้นใจเพราะว่ามันเป็นความรู้ ศักแต่ว่ารู้ที่จิตใจเรื่องนี้จิตใจวิธีการของพระเถนเพราะอะไรเพราะว่าคนที่รู้เรื่องนี้เพียงไม่ถึงชั่วโมงบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เร็วที่สุดในบรรดาพระอรหนทั้งหลายคนคนนั้นชื่อว่าพาหิยะธารุจิริยะเคยเล่าหลายครั้งนะใช่ไหมว่าคนคนเนี้ยในอดีตชาติเนี่ยเคยบําเพ็ญสมณธรรมมาเป็นในสมัยพุทธเจ้าบางองค์ แต่มาพลาดอยู่ชาติหนึ่งที่ไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีเป็นเพลย์บอยไปโขมคืนแล้วฆ่าเขาตายเออเนี่ยไปพลาดอยู่ชาติหนึ่งเนี่ยทาให้เราเราไม่ไว้ใจในการเว้นไว้แต่เกิดเพราะบางชาติเราบําเพ็ญมาตั้งเยอะใช่ไหมไปพลาดอยู่ว่าไปเกิดเป็นลูกคนรวยใช่ไหมมันก็เกิดการเสพเลขึ้นมาโขมคืนฆ่าเขาตายตรงนั้นเองพลาดนิดเดียวโอ้โหใช้กรรมมาม่รู้เท่าไรทีนี้มาถึงเศษของกรรม ท่านพายิยะทารุจิริยะเนี่ยเป็นลูกของพ่อค้านะเกิดมาเป็นลูกพ่อค้าในในสมัยพุทธเองค์เนี้ยแล้วก็ไปค้าได้ทางเรือสําเภากับเขาจากประเทศนี้ไปสู่ประเทศนั้นพอไปถึงกลางทะเลกลางมหาสมุทรเกิดพายุเรืออปลัางคนทั้งหลายลูกน้องทั้งหลายที่ไปด้วยกันก็อกถูกน้ําซัด ตายจมบ้างมีสัตว์ายในทะเลเอาไปกินบ้างทีนี้โดยท่านบา ร, รมีทำ ม, มีส่วนหนึ่งขึ้นซัดไปเรื่อยๆว่ายน้ำขึ้นก็สัดไปซัดไ ป, ด ไ, ปไปขึ้นไปติดในหมู่บ้านหนึ่งผ้าท่อนผ้าผ่าอนท่อนสบายนี้ไม่มีเลยเหลือแต่ตัวร่อนจอนทีนี้ในสมัยนั้นในหมู่บ้านนั้นะลัทธิของนิคนใช่ไหที่นิคำพรนอะ่ะนิคำพรของเอมหาวิระหรือเปล่านะนุ่งรุมผงฟ้า ใช่ไหมของมหาวิราชหรือเปล่าอ้ามหาวิรานุ่งหลมหูฟ้ามีสเสวตมพรที่คำพรมีทั้งสาวเขามีสามเหมือกนันนแล้วในนิกายนี้เขาก็ถือว่าคนไหนที่สามารถแก้ผ้าได้เนี่ยถือว่าเป็นพระละหานนะเออคนยันถือลือหามากเลยนะเนี่ยปรากฏว่าท่านพายะก็ถูกขึ้นซัดขึ้นฝั่ง ม, มีผ้าติดเนื้อเสื้อติดตัวคนบ้านนั้นเขาครังด้านที่นี้อยู่แล้วโอ้พระหรหันต์ขึ้นฟังแล้วพวกเราพากันไปบูชากันใหญ่เลยนะทีนี้ก็ตกกระไดไฟจูเนี่ยเออขาว่าพระหรหันต์กูก็อาหารหันต์ด้วยกันเลยก็เลยตั้งสำนักคนก็มาบูชามากราบมาไหว้ก็ราบสการะ ก, ก็ขึ้นเอ๊แต่ในใจลึกๆเพราะท่านเคยบําเพ็ญสมรรธรรมมาหลายชาติใช่ไหมใ น, ในใจลึกๆวันไม่ใช่นะนี่นะมันเป็นการออกลวงชาวบ้านชัดๆเลยแล้วทีนี้ต่อมาได้ข่าวว่ามีพระหรหันต์ตัวจริงเกิดขึ้นในโลก อยู่ที่ใที่นั้นมีคนมาให้ข่าวใช่ไหมว่ า, าพระอรหันต์สมาสัมมุทิเจ้าในะอยู่ที่พระเชตวันเพราะฉะนั้นก็คิดอยู่ใน ใ, นใจว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องหนีจากสำนักแล้วไปพบพระอรหันต์ตัวจริงแล้วเขาจะไปถามว่าทําไมความเป็นพระอรหันต์คนถึงได้บูชากนกกันกานะมันดีอย่างไรและความเป็นอรหันต์จะเข้าถึงความเป็นจะเข้าถึงอย่างไรเนี่ยท่านก็เลยหนีออกจากสำนักในในคืนวันหนึ่งเดินตลอดทั้งคืนจนไปถึง สำนักพระเจดวันเช้าช่วงเช้าพอดีช่วงนั้นเป็นช่วงที่พระพุทธเจ้ากับพระสาวกทั้งหลายก็น อ, ออกบินเบาทใช่ไหมเข้าไปก็โอ้โหกระหืดกรหอบเพราะว่าวิ่งทั้งวิ่งทั้งเดินทั้งคืนเนี่ยเหน็ดเหนื่อยมากก็ไม่ได้หลับได้นอนก็เลยเข้าไปกราบถามเรียนถามพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความเป็นพระหันเนี่ยมันเป็นอย่างไรถึงบัญญตัติการทําอย่างไรถึงบัญญัติเป็นพระหันเนี่ยได้รู้อย่างไร ถึงบุคคลคนนั้นถึงว่าถูกเรียบพระอันพระเจ้ามองดูเอ๋อคนนี้มันมาลอกมาหลกมาจากไหนนะเสื้อผ้าก็ไม่ใส่แต่ยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวฉันมีธบัตกลับมาก่อนคุยกันที่วัดว่ากันฮนะเอพอเดินไปพักหนึ่งตามไปถามเวลาครั้งที่สามพระเจ้าก็มาดูชัดากเก่าของไหนคนนี้ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นนะตามบุรีพระเจ้าห้ามไม่เกินสมครั้งนะ่ะครั้งที่สามต้องมีเหตุละก็ดูอ๋อ รูปลักเลยออกคนนี้บําเพ็ญสมธรรมมายาวนานแต่ชาติหนึ่งมาพลาดเพราะไปฆ่าลูกฆ่าเมียเขาตายนี่แหละึงได้มาเป็นอย่างนี้ก็เลยเขามีนิสัยที่จะบรรลุธรรได้นี่ใช่ไหมก็เลยบอกเลยว่าดูก่อนภาหิยะทารุจิริยะภาวะที่เห็นอะไรก็ตามสัตธว่าเห็นไม่ไปตัดสินหรือไม่ไปปรุงแต่งในสิ่งที่เห็นได้ยินอะไรก็ตามก็สัตธว่าได้ยิน ไม่ได้ไปปรุงแตกแต่สิ่นในสิ่งที่ได้ยินว่าดีหรือไม่ดีรู้อะไรก็ตามรู้สักแต่ว่ารู้โดยที่ไม่ต้องไปคิดว่าสิ่งที่รู้เนี่ยดีหรือชั่วถูกหรือผิดเราบัญญัติว่าการสักแต่ว่ารู้เห็นและการสักแต่ว่ายินนี้เป็นภาวะของผู้เข้าถึงอรหันต์ไม่มีข้างหน้าไม่มีข้างหลังไม่มีข้างบนไม่มีข้างล่างไม่มีที่ไปไม่มีที่มาจบกันตรงณปัจจุบันเราบัญญัติตรงนี้ว่าความเป็นพระอรหันต์ เข้าใจป้าบในใจเลยขอบวชขอบวชอ่าพุทธเจ้าดงนั้นเถอไปหาผ้ามาแล้ไปต่างไปที่วัดเหมืนกันพุทธเจ้าก็บิณฑบาตต่อไปเลยนะบิณฑบาตต่อไปแล้วเขาก็ไปหาผ้าผ้าในสมัยนั้นหาได้สองที่หนึ่งที่กองขยะสองที่ป่าช้าป่าช้าเพราะละไรเพราะเวลาคนสมัยนั้นต้องเอาผ้าขาวนุห่อศพไปทิ้งเนะี่ยไมเดีย ก็ปรากฏว่าตรงนั้นมันใกล้กองขยะเขาก็ไปหาได้ชิ้นสองชิ้นในช่วงเช้าเนี่ยชาวบ้านเขาก็ปล่อยอวัวปล่อยควายออกจแหล่งไปหากินใช่ไหมที่วัวฝูงนั้นมันใกล้กองขยะพอปล่อยแหล่งปั๊บมันก็วิ่งหายไปกองขยะเลยเพราะมันเคยกินใบตรงใบตองอะไรต่างๆเนี่ยก็ปรากฏว่าวัวไม่รู้อ่อนมันออกมาตามปฏิวัวตัวเล็กๆ เ, เนี่ยเวลามันเห็นคนมันชอบเข้าไปเลียวไปเนี่ยไปไ ป, ไปคลอเคลียใช่ไหม อันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเห็นคนเก็บขยะมันก็เข้าไปครอบเคเล่นแม่มันเข้าใจว่าลูกมันจะถูกทำร้ายมันก็วิ่งขีดอย่างแรงมุนห่วงลูกมันอ่ะขีดจนก็ติดเขาไปเลยอะตกลงมาก็ ส, บสลบทเสยลเพราะเพลียมาตั้งคืนแล้วใช่ไหมไม่ได้พักก็ในที่สุดก็นึกขึ้นได้แล้วว่าเออเป็นวิบากกรรมแล้วจิตก็ยังนิ่งอยู่เหมือนเดิมนะ สัตว์ทวารู้เฉยๆเกิดได้ขึ้นสมุนไม่ได้สแสดงอาการทุกข์โกรธขณะวุ่วายแล้วิ่งเฉยๆดูอาการจนสิ้นไปก็หลังจากผู้เดียวกับไปถึงวัดอุบาสกบัสิการที่ตามมาที่วัดก็บอกก็คุยกันนะเออคนนั้นเป็นคล้ยๆคุยกันนะ่ะสตากรรมเป็นอย่างไรก็พระที่ไปบิณฑบาตด้วยก็เลยอยากจะรู้เรื่องเป็นอย่างไรก็พาคปถามถามพระเดียวกับว่าเออคนที่มาถามปัญหาด้าาวเช้าเนี่ยได้ข่าวว่าโหวด ทุกัวขิดตายแล้วพระองค์บอกว่าเขาได้บรรลุธรรมเป็นไปได้ยังไงคนที่จะบรรลุธรรมทำไมชะตากรรมต้งเป็นอย่างนั้นสงสัยอะ่ะใช่ไหมคนบรรลุธรรมมันจะต้องมีอะไรที่ดีกว่านี้สิทําไมมันมาลอกมาแรกอย่างนี้อมันไม่น่าจะเพราะพุทธเจ้าพลาดไปหรือเปล่าดูน้องนี่นะบอกว่าดูก่อนวิสุทธหลายเธอฟังแล้วฉันจะเล่าให้ฟังแล้วก็เอาเลิกเนะี่ยมาเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เกิดชาตินั้นเปน็นนั้นเกิดชาตินั้นั้นเมื่อเกิดชาติหนึ่งเนะี่ยมาพัดเกิดเป็นลูกเศรษฐีเนี่ย แล้วมาข่มคืนข้าวผู้หญิงที่มีท้องอะอ่ะจนกระทั่งตายเป็นบาปกรรมสืบต่อเนื่องกันมาหลายภพหลายชาติอันนี้ก็คือว่าเราเข้าถึงความเป็นรู้สึกซื่อของหลวงพว่อเทียนนั่นเองใช่ไหมรู้ซื่อเห็นซื่อได้ยินซื่อเฉยๆมันมีคาถาบาลีอยู่ จามาจำไม่ได้หลายปีตอนนั้นลักษณะที่เราเจริญสตินี่เพื่ออะไรเพื่อให้พอสติมันตั้งปั๊บเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็จะไปติดกั้นอยู่ที่สตินี่ก่อนสติเป็นตัวกรองอ่าเมื่อกั้นกรองแล้วมันก็ตัวรู้สึกนี่มันจะสะอาดจากสรรชาติญาณเนี่ยกลายเป็นปัญญาญาณ นึกออกไหมว่าเวลาเราตักน้ําสมัยที่เราตักน้ําบ่อนะคุณคุณที่นี่เราจะมากินเนี่ยมันไม่น่ากินละไม่รู้มันมีเชื้ออะไรบ้างเนี่ยเราก็ไปใส่ถังกลองอามาเคยไปอยู่ที่ศรีลังกาเขาในในพระพที่อยู่ศรีลังกาเข้ามาจากเยอรมันเนาะเขาก็ถือไอ้ถังกลองมาด้วยเขาไม่แน่ใจว่าระบบศรีลังกามันจะดีเหมือนเขาเขาก็เอาถังกลองนี่มาจากประเทศเขาข้างในมันเป็นหินแกกล่กลมๆอะ่ะ มีใช่ไหมปัจจุบันนี้มีนะตั้งอยู่ข้างในแล้วก็วางอยู่แล้วเอาน้ําใส่น้ํามันก็มันก็จะผ่านหินแร่ก้อนนี้เข้าไปจากน้ำขุ่นนี่นะกรองมาเป็นน้ําใสาปิ้งเลยนะแล้วก็มีแร่ธาตุอยู่ในนั้นด้วยเป็นน้ําแร่อามาก็บอกว่าสติแบ บ, แ บ, บสัญชตาตญาณคือน้ําดิบที่เรากรองนี่แหละใช่ไหมพอผ่านตัวกรองแล้วคือระบบของสติสมิธยะและปัญญาเหมือนเป็นเครื่องกรอง แล้วออกมาเป็นน้ำพิเศษเหมือนจิตที่ถูกกรองเป็นสตินั้นก็เป็นสติที่เป็นปัญญายาณด้วยกลองได้สี่ชั้นชั้นที่หนึ่งคืออะไรกายานุปัสนาสติปัฏฐานกลองชั้นที่สองเวทนานุปัสสนะติปัฏฐานกลองชั้นที่สามจิตตานุปัสนากลองชั้นที่สี่ธรรมานุปัสนาและในกองแต่ละชั้นก็มีเขาเรียกว่าซับ ฟิวเจอร์อีกนะแม้ว่าเป็นกองเล็กๆตัวเล็กๆลงไปอีกใช่ไหมในเฉพาะกายานุปัสสนาก็มีถึง16ชั้นกลองอีกอในเวทนานุปัสสนามีถึง9ชั้นกลองในจิตานุปัสสนามี16ชั้นกลองแล้วในธรรมานุปัสสนามีเยอะกว่านั้นอีกมันก็ละเอียดยิบเลยดังนั้นเราจะกล่าวได้ไหมว่าน้ําดิบตัวนี้มันก็อากูโซลธรรมพอถูกผ่านกลองมันก็กลายเป็นกูโซลจิต น้ำดิบที่ใส่เข้าไปนั้นเป็นน้ำที่ไม่สะอาดเหมือนบาปพอกรองเสร็จแล้วมันกลายเป็นบุญดังนั้นกุศลกับอกุศลน้ำเดียวกันไหมเดียวกันแต่ว่ามันกลายเป็นตัวกุศลเพราะมันผ่านอะไรผ่านการกรองของสติปฐานเมคเซนไหมแม็เซนนะคือสมเหตุสมผลไหมแค่นี้นั้นเราจะเห็นว่าอันนี้คือหลักของธรรมธรรมชาติมากมากเลยนั้น การที่เราคิดอกุศลต่างๆแสดงว่าเครื่องกรองเราดีไหมไม่ดีอะไรมากระทบน้ําขุนมามันก็ขุนไปต่อเลยใช่ไหมเสียงขุนมากูก็ขุนไปเหมือนกันเหท่านั้นเถ อ, อะไม่ได้กรองนั้นกายมาเจริญสติคือการมาสร้างเครื่องกรองถ้าคนไห้เจริญสติได้มากความรู้สึกละเอียดมากก็เครื่องกรองก็เป็นไงละเอียดมากสิ่งที่จะออกมาก็จะใสสารมากๆกินก็สะอาดมากๆเพราะฉนั้นคำว่ า, ากิเลสทั้งหลายทั้งปวงก็คือน้ําที่มันดิบมานั่นเอง ใช่ไหมอย่าว่าแต่ที่อื่นนะกรุงเทพมาเอาน้ําไหนมากรองน้ำเจ้าพรยาลว้ลวนๆเลยเจ้าขุนคลักเลยใช่ไหมแต่กรองออกมาเป็นไงอเอามาดุมก็เฉยเลยอ่ะ อ, อย่าว่าแต่ไกลเลยเรื่องเดียวกันนะเพราะนั้นสิ่งที่มาทบตงังหูจมูกลิ้กนกระจที่มันผ่านระบบฉันชัตยานเนี่ยสติโดยสันชัตยานก็คือวัตถุดิบพอมาผ่านขั้นกรองเนี่ยถ้าผู้ไม่มาเจริญสมถาวิปัสนามีโอกาสสร้างเครื่องกรองไหมคนเหล่านี้เป็นไงเชี่ยโรกเพียบเลยใช่ไหมเชื้อโรกนั่นเองเรียกว่ากิเลศ กิเลสก็คือเชื้อโรคนั้นเข้าไปก็กำเริบใช่ไหมแล้วเราก็เป็นโรคอะไรโรคอะไรไม่ใช่โรคจิตนะเรียกว่าโรควิญญาณในพุทธศาสนามีสามโรคหนึ่งโรคทางกายโรคทางจิตและโรคทางวิญญาณโรคทางกายโรคทางจิตหมอรักษาได้ใช่ไหมเป็นหมอจิตแพทย์นี่เงารักษาโรคจิตได้แต่โรควิญญาณนี่รักษาได้ไหมได้รักษาได้ ต้องมีหมอนะฮะต้องมีหมอผู้ที่จะจะเป็นแพทย์ของโลกไงเป็นนายแพทย์ใหญ่ของโลกคือรักษาโรคทางวิญญาณโรคทางกายมาจากโรคทางจิตคิดมากคิดไม่ดีใช่ไหมเป็นโรคทางจิตโรคทางจิตก็มาจากโรคทางวิญญาณโรคทางวิญญาณมีกีอย่างคุณสงเกียรติคุณเป็นอดีตผู้พิพากษาแล้วคุณต้องตอบได้โรคทางวิญญาณคุณวิคุณวิชัยโรคทางวิญญาณมีอะไร เอาไม่ทราบได้ไงนักเรียนเก่านะฟังหลวงพ่อมาหลายครั้งแล้วอะโลกทางวิญญาณมีสามอ่ามีสามอะไรบ้างอันนี้อ่าใบให้แล้วนะโรคโลภะลน่าเก็ต<ล>เลยพิ <laughs> อหมอเป็นโรคนี่ไหม เพียบนะฮะเพียบรักษาตัวเองไม่ได้หมอโรคจิตที่รักษาคนอื่นโรคจิตได้แนตะ่ตัวเองเป็นโรควิญญาณเทียบเลยนะเพราะฉะนั้นโรคทางจิตวิญญาณถ้ายังไม่รู้เป็นพระรหันต์เป็นทุกคนโรคทางวิญญาณเป็นทุกคนนะอย่างพระคนที่บรรลุเป็นพระโสดาบันก็มีโรคทางวิญญาณเจหา์เซหายโรคแค่ยีเป็นภ์เสกิทาคามีหายโรคแค่ห0ซต เป็นพระอนาคามีหายโรค75อร์พระอรหันต์หายร้อเปเซเลยนะเพราะฉะนั้นความเป็นพระอรหันต์เราก็ถึงปรารถนาเป็นผู้บริสุทธินะ์เป็นผู้บริสุทธิ์ก็ทําให้หายโรคทั้งสอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้คําว่าพุทธโอสถธรรมโอสถสังฆโอสถเนะี่ยเข้าไปรักษาโรคราคะโทสะโมหะนะแล้วก็ทั้งสาอย่างนี้เองมันก็คือวัตถุดิบและโรคทั้งสอย่างเกิดจากอะไรอ่าตัวนี้สําคัญ โรคราค่าโทษาโมหะเกิดจากอะไรโอ้คุณจะเป็นหมารวมมาวิชาเลยไม่ได้มันจะต้องมีที่ไปที่มาละเอียดกว่านั้นนะลำดับนะลำดับนะถ้าลำดับว่าราค่าโทษะอโรูตัวราคากว่านะราคาเกิดมาจากตัวนันทิคือเพลินใช่ไหมเพลินในสิ่งใดแล้วอยากให้ความเพลินนั้นสําเร็จประโยชน์ก็เป็นราคานั น, นทิราคาไง นันทิราคาเวลาเรสวดในธรรมจักนันทิทําให้เกิดราคะแล้วนันทิความเพลินเกิดจากอะไรเกิดจากอภิชาไม่ใช่อภิชานะอภิชาไปว่าความติดใจเพลินไปว่าความสนุกสนานอภิชาไปความติดใจอภิชาเกิดจากอะไรเกิดจากโสมนัสความพึงพอใจความวิโสมนัสสเวทนาเกิดจากอะไรเกิดจากสุขเวทนาที่ความสบายกายสุขเวทนาเกิดจากอะไร เกิดการเนี่ยตาบอ ด, ดีในะห้องมันเย็นอย่างนี้ไหมเออเ น, นี่ยพรแอร์ดับเนี่ยบ่นกระดู้เลยเนะีใช่ไหมไม่พอใจอะความพอใจความสบายกายถ้ารู้ว่าเออสบายกายสักแต่ว่าสบายกายแอร์จะดับหรือไม่ดับสันก็ไม่สนเอออย่างนี้เขาเรียกว่าสุพยธนาถึงจะเปลี่ยนแปลงเป็นทุกขเวนาก็ไม่ไม่เป็นไร เราไม่ยึดในสุขนะอากาศร้อนเราก็ไม่ได้คิดถึงแอร์ร้อนก็คือร้อนสัตววรร้อนหนาวก็คือหนาวสักแต่อย่าให้มันเกินนะถ้าร้อนเกินไปจะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องป้องกันถ้าหนาวเกินไปจะขอให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บก็ป้องกันแต่ถ้าหากว่าเราไปยึดสุขเวนาความสบายกายมันก็เกิดเป็นความสบายใจเป็นโมสมนัสเวทนาและความสบายใจ ความพึงพอใจมันไม่ได้อยู่กับที่มันขยายไปเป็นความติดใจและความติดใจขยายไปเป็นความเพลิดเพลินเจริญใจนันทีความเพลิดเพลินเจริญใจเป็นความสนุสานเรวาลาคะและราคะก็อยากจะได้มากขึ้นเป็นโลคะโลคะก็เปลี่ยนเป็นตันหาตันหาก็เป็นการมวัฏฐานาเพราะว่าตันหายิบวัฏน า, นาไปเรื่อยๆเลยทีนี้เห็นไหมลากมันมาจากไหนลากมาจากสุขเวทนาที่เราไม่รู้เท่าทันตรงนั้น ขอให้เกิดรูทของราคะาไปเกินจำเป็นหัหยเรื่องนี้เกินจำเป็นไหมไม่แน่แนละบางคนอาจจะมีวุฒิภาวะพอจะเข้าใจได้ใช่ไม้มนั่งใช้คำ ว, ว่าวุฒิภาวะเลยเนะพราะในที่นี้บางคนระเกิดบาเพ็ญสมถธรรมมาหลายร้อยชาติก็ยังมีใช่ไหมบางคนเพิ่งเริ่มก็มีเพราะฉะนคนที่บำเพ็ญมา น, านานแล้วฟังแล้วอาจจะเข้าใจได้นะดังนั้นใน ในเรื่องของที่การบ้านวันนี้เราขยายจากว่าไตรลักษ์เป็นไตรสิกขาได้อย่างไรนะทีนี้สุขเวทนาอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยไห น, หนก็ไล่ขึ้นมาถึงสุขเวทนาละสุขเวนาเกิดจากความสุขเวทนาคือความรู้สึกสบายกายใช่ไหมแล้วความรู้สึกสบายกายหรือสื่อนะเกิดจากอะไรฮะอย่าเดาต้องพิสูจน์อ้าวทุกคนลุกขึ้นยืนเพื่อหาคําตอบ ตอนรู้สึกขณะนี้กับมิกกี้ก่อนลูกมาเนี่ยต่างกันไหมต่างกันอย่างไรก่อนที่จะลุกขึ้นรู้สึกไงหนักใช่ไหมแต่รู้สึกสบายพอใจไหมนานเห็นไหมความรู้สึกสบายกายเปลี่ยนไปความรู้สึกพอใจไม่เป็นสุขเวทนาเป็นสมนัสเวทนาใช่ไหมติดใจไหมติดใจอยากจะยืนนานๆหรเล่เห็นไหมมันคืออันนี้คือการพิสูจน์ให้เห็นได้กับว่าอ๋อ ถ้าเรายืนสบายก็รู้สึกว่าสบายโดยที่ไม่ไปติดใจนะโดยที่ไม่ไปติดใจลักษณะีนสุขสักตวาสุขก็จะไม่เปลี่ยนเป็นโสมนัสสุขจัตวาสุขนี้เขาเรียกว่าสักแตว่าถ้าใครรู้ว่าสักเตว่านี้ได้ละหนึ่งคะแนนนั่งลง <c oughs> หนึ่งคะแนนแล้วคือไม่ไม่เข้าไปสำคัญมั่นหมายว่าความสบายนี้เป็นเราใช่ไหมความสบายคือความสบายไม่ใช่เรา นี่เรียกว่าเป็นตัวแปลงจากสุเกนาแปลงเป็นศีลออย่าลืมว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใช่ไมเมื่อกี้เมื่อกี้คือความไม่สบายแล้วเปลี่ยนมาเป็นสบายเป็นกฎของอะไรอะนิจจังเออเกิดของนิจังเพบาะเกเ ก, การเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงที่โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจโดยตั้งใจและการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติเพราะฉะนั้น ตัวอนิจจังที่มีสติมันเปลี่ยนแปลงเป็นศีลเอาข้อเดียวก็พอนะส่วนสมาธิและปัญญาไปคิดต่อก็แล้วกันยังไม่เฉลยน ะ, ะยังไม่เฉลยไปคิดต่อเดี๋ยวบอกการบ้านบทนักเรียนก็นจะไม่เก่งไงนะเนาะทั้งนี้เราจะเห็นว่าตัวสภาวะต่างๆมันมีที่ไปที่มาไม่มีอะไรเกิดโดยบังเอิญเลยนะไม่มีอะไรเกิดมาแต่มันมีที่ไปที่มาแต่ว่าเราจะเข้าถึงหรือไม่เนี่ยตรงนี้เราจะต้องใช้เวลา เรียนรู้และทําความเข้าใจไปเรื่อยๆสําหรับเราไม่ได้ต้องการที่จะเป็นนักเผยแพร่อะไรแบบหลวงพ่อนะก็หมายความว่ามันสบายแล้วก็คือสบายแต่สําหรับบางคนต้องการที่จะสร้างบุญบารมีไปให้มากกว่านี้ต้องการที่จะสร้างเมตตากรุณาให้มากกว่านี้ก็ไปเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจแล้วไม่ต้องมาได้ภาษาอะไรมากมายอย่างหลวงพ่อนี่หรอกหนวงพ่อมเป็นมิบากกรรมได้เผอเรียนมาเผอไปเรียนมาด้วยความไม่รู้นะแต่มันก็มีประโยชน์ในการทีามาใช้นี่แหละนะ ไ้เผยไปเรียนมาเข้าถ้ามันรู้ซะก่อนมันคงไม่ไปเรียนตอนที่เามาพบหลวงพ่อเทียนมาอยู่มหาจุลาปีสองว่าไปบอกหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนลวงพ่อผมลาออกนะไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรแล้วจบแล้วรู้อยากหลวงพ่อก็พอแล้วไปขอหลวงพูดขอหลวงพ่อความเพียน่ะลาออกก็ดีมาจะได้ปฏิบัติได้เต็มที่อาจารย์ท่งล้นลาออกเลยไม่ต้องไปเรียนให้มันลำบากมาถามหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อผมเลิกแล้วผมไม่เรียนต่อนะมหาน ปัญญาเนี่ยมันมีไว้ก็ดีมันกันหมาได้มันกันหมาเห่าได้บ้างอดสมบทสาเรียนเนี่ยมันจบซะงั้นนะก็เลยเรียนต่อให้มันจบนะหมายความว่าบางคนเขามาถามว่าพระองค์นี้ลูกอะไรมาจากที่ไหนอะไรเงี้นี่นะหมาแบบนั้นมาเห่าเราก็จะให้กันมันั่นว่าอันนี้มันก็ดีส่วนหนึ่งนะด้วยความไม่รู้ดังนั้นในการปฏิบัติของเราเนี่ยถ้าตัวรู้ซื่อๆตัวเดียวเนี่ยมันครอบคุมทั้งหมดเลย ศักตะวะเห็นศักตะวะได้ยินศักตะวะรู้โดยที่ไม่ปรุงแต่งบางคนก็บอกเอ๊ะถ้าหากสักตะวะเฉยๆเนี่ยมันจะมันจะฉลาดไหมรู้เฉยๆมันจะเป็นคนโง่ไหมโอ้โหคิดไปไกลขนาดนั้นเลยน ะ, อ, ะอามาก็ถามว่าคุณเอาไม้มาไม้ตรงๆอีกอันหนึ่งเอาไม้โคตๆมาอีกอันหนึ่งคุณเอาไม้ตรงแล้วคุณแทงลงไปในดิน มันก็ไม้คดแทงลงไมปดินเข้าไหมมันไม่เข้ามันงอเสียก่อนอีกอันหนึ่งต้นไม้แหล่ๆแทงลงไปดินเข้าไปลึกเลยนี่ตรงๆแบบนี้มันไปลึกแต่คุณไม่ตรงเนี่ยมันไปไม่ลึกนะอันนี้ยเพราะจิตของคุณคดเนี่ยคุณเลยโง่แต่จริงๆคุณฉลาดจิตคุณจะแทงตรงได้ลึกคุณจะฉลาดโอ้มันเก็ดเลยนะอ๋อใช่จิตซื่อๆตรงๆจะเป็นคนฉลาดมากแต่ฉลาดแบบคมในฝักนะ โคดโคตเมันฉลาดแบบนอกฝากมันโชว์เนาะมันก็ยิ่งโชว์ก็ยิ่งเห็นเลยที่เนี้ยมันคดอ่ะมันไม่ตรงนะดังนั้นถ้าหากว่าเราหาคําตอบจากความคิดเนี่ยมันปัญญามันคดคดไปคดมาแต่ถ้าว่าเราหาปัญญาจากการรู้ซื่อๆตรงๆเนี่ยมันลึกมันแทงไปลึกมันเข้าใจรายละเอียดแต่ว่าเราไม่แสดงตัวเองว่าเรารู้นะแต่เราไม่พูดอะไรเป็นอะไรนะแตนั้นอันนี้ก็เหมือนกันนะการรู้ซื่อๆตรงๆอย่าไปกลัวโง่ แต่อันนี้คือวิธีที่ฉลาดที่สุดฉลาดแบบคนฉลาดด้วยกันก็ไม่รู้ว่าเราฉลาดนะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะนั้นก็อยากจะให้กล่าวมาทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่าความรู้สึกรู้เนื้อรู้ตัวซื่อๆเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเราควรที่จะสั่งสมบม่มเพราะคนที่จะติดตามคนที่จะดูแลใจใสเห็นว่าอันนี้คืออัญมณีที่มีค่าสูงสุดอย่าไปเบื่ออย่าไปซึง อยากจะไปวิจักังวลให้รู้ซื่อชัดๆรู้แบบสบายๆรู้แล้วไม่เอารู้เฉยๆแล้วในที่สุดแล้วมันก็สบายผ่อนคลายแต่ถ้ารู้เราจะเอาเนี่ยมันจะเป็นไงจะหนักใช่ไหมมันจะกำมันจะเกาะมันจะบีบเอาไว้อะถ้ารู้ก็เฉยๆแต่รู้จักเลือกนะรู้จักเลือกบางคนรู้เฉยๆไม่ได้มันถือโอกาสเอาเปรียบเรานะใช่ไหมก็รู้ทําท่าว่าเรารู้ แล้วก็รู้ทันให้รู้เท่าทันรู้เท่าทันตัวเองถ้าคนเรารู้เท่าทันตัวเองแล้วก็จะรู้เท่าทันคนอื่นพราะรู้ว่าหมอนี้ไม่ค่อยน่าไว้ใจแล้วก็ห่างหางมาเสร็ถ้าหากเกิดว่าเราไปใกล้มากเข้าเดี๋ยวมันก็จะลําบากในการที่เราจะต้องสร้างกรรมสร้างเวทีเขาใช่ไมหาออกมาแต่บางคนก็ลําบากเมื่อกัรน้นป้องกันตัวยากเราก็รู้ไครรู้มันเอาก็เป็นอันว่าในช่วงเย็นนี้เราสอบอารมณ์เรื่องการบ้าน แล้วก็เรื่องเสริมเพื่อให้เห็นความสำคัญของความรู้สึกตัวเท่านั้นเองที่กล่าวมาทั้งหมดและเราก็จะไม่มีข้อต่อรองหรือไม่ข้อคัดแย้งถกเถียงอะไรกับความรู้สึกตัวเฉยๆแต่ว่ารู้ให้ถูกรู้แล้วผ่อนคลายรู้สบายรู้แล้วตื่นและสบายอันนั้นถูกต้องแล้วถ้ารู้แล้วมันไม่สบายไม่มันสงสัยมันขัดข้องมันอึนอดอดัดอั น, นแสดงว่ารู้ไม่ถูกละต้องปรับต้องแก้ จะวิธีปรับแก้อย่างไรแล้วประสบการณ์และทักษะเรายัางไม่พอก็อถามเพื่อนและครูบาอาจารย์ที่เขาปฏิบัติมาก่อนนะก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจที่เราจะศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดและสูงที่สุดในชีวิตของเราเพื่อเราจะต้องไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปด้วยกันทุกคนทุกท่านคือ